ขอเจรัญพรแด่โยบทุกท่านได้ยินเสียงไหมครับ อ, อัตมาได้เดินทางไปหลายประเทศนะแล้วก็แต่ละประเทศก็มีคนไทยอยู่เป็นจำนวนมากที่สเปนอาจจะน้อยหน่อยนะแต่คิดว่าคนไทยในที่ต่างๆก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกันไม่ว่า อยู่มานานหรือว่าเพิ่งอยู่นะ <Okay. S 1> ก็คือความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ต่างแดนนะหรือว่าบางคนจะรู้สึกขั้นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ไกลบ้าน <Okay. S 1> จริงๆแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ถ้าบ้านของกายนะมาจะอยู่ไกล ในบางถิ่บางที่เราก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่บ้านของเร า, าและในส่วนลึกของใจเราเราก็โหยหาที่จะได้อยู่บ้านเมื่อเรามาอยู่ต่างแดนนะเราก็ควรจะรู้สึกถึงความเป็นบ้านนะแล้วก็พยายามทำให้สถานที่ที่เราอยู่นะ มันเป็นบ้านขึ้นมาบ้านของกายนี่หาได้ไม่ยากนะแต่ว่าที่หายากกว่าคือบ้านของใจนะคราว น, นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นบ้านเนี่ยได้ทุกคนแห่งนะ มันมีคำกล่าวของท่านติสนพันธ์นะซึ่งเป็นพระเซนท่านก็เป็นที่รู้จักนะัในหมู่คนไทยโดยเฉพาะผู้ที่สนใจพุทธศาสนาถ้าเคยกล่าวว่าบ้านที่แท้จริงนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่ขางเดียวกันก็อยู่ทุกคนทุกแห่งฟังแล้วงงไหมบ้านที่แท้จริงนั้นเนี่ยหรือบ้านที่เป็น อมาตะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะแต่ว่า ท, ท, ทุกของทุกแห่งเนี่ยก็สามารถจะเป็นบ้านของเราได้ธรรมะเชื่อบ้านที่ท่านพูดเนี่ยนะคงไม่ใช่บ้านที่ก่อด้วยอาคารอาก่อด้วยอิฐหรือว่าเป็นอาคารไม่ได้หมายถึงบ้านที่ก่อหรือสร้างด้วยไม้นะ แต่หมายถึงบ้านที่สัมผัสได้ด้วยใจและอะไรนะที่จะเป็นบ้านให้กับเราได้ในทุกที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็รู้สึกว่าอบอุ่นไม่ว่าอยู่แห่งฝนตบบนใดก็ไม่รู้สึก ว, าว้าวเหวไม่รู้สึกแปลกแยก จะสัมผัสกับภาวะเช่นนั้นได้เนี่ยนะก็คือการที่เราเอาปัจจุบันนธรรมเนี่ยเป็นบ้านนะเมื่อใ่ก็ตามที่ใจเราอยู่กับปัจจุบันก็เหมือนกับว่าใจเราเนี่ยนะมีบ้านล้มีบ้านที่อบอุ่นมั่นคง คนเราเนี่ยรู้สึกเหงานะรู้สึกว้าเวยรู้สึกพร่องรู้สึกขาดแคลนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะใจเราเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่นะจะเราไปอยู่กับอดีตไหลไปอนาคตหรือว่าไปอยู่กับสิ่งนอกตัวเช่นะนสมมติเราพอเราคิดถึง บรรยากาศที่เมืองไทยเนี่ยเราก็รู้สึกคิดถึงบ้านขึ้นมาในตอนนั้นเรียกว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะในขณะเดียกันแม้ว่าเราจะอยู่เมืองไทยเราจะนอนที่บ้านนะที่อยู่หรือสร้างมาหลายสิบปีแต่ว่าถ้าใจเราเนี่ยออกไปนอกตัว อันนั้นเนี่ยก็แปลว่าใจเราไม่ได้อยู่บ้านแล้วตัวอยู่บ้านก็จริงแต่ใจไม่ได้อยู่บ้านแล้วะมีคํากล่าวหรือคำตรัสของพระพุทธเจ้านะอยู่ตอนหนึ่งท่านสอนว่าบุคคลไม่ควรตามพิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง พนะระองค์เนี่ยตัดเชิญชวนให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยใจเราไปอยู่กับอดีตเราก็จะเกิดความอาลัยความเสียใจนะส่วนใจจะเป็นอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าอาดีตของเรามันจะมีส่วนที่สนุกหรือว่าช่ำชื่นเ บ, บิกบาน แต่พอเรานึกถึงตรงนั้นเนี่ยบางทีเราก็อาลายนะว่าเราความรู้สึกดีๆแบบนั้นเนเี้มันมันไปซะแล้วอย่างที่มันมีคำพูดว่าวันวันอันหวานชื่นเนี่ยนะเคยดีไหมชื่อเพลงวันวันอันหวานชื่นนะว่นวัอันหวานชื่นเนี่ยนะเวลาใครนึกถึงวันวันหวานชื่นจะรู้สึกอาลัยนะอยากจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้นหลายคนเนี่ยตอนนี้อยากจะไป กลับไปบ้านเกิดกลับไปสถานที่ที่ย้อนยุคกลับไปสถานที่ที่เราเคยเห็นเคยสัมผัสตอนเด็กนะหลายคนอยากไปเที่ยวที่เชียงคานหลายคนอยากจะไปเที่ยวที่ที่ไหนนะที่อําพวันนะหลายคนบอกเนี่ยอยากจะไปสามชุกเพราะว่ามันได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคเพราะมันช่วยให้เขานึกถึงอดีต พอชวนก็นกถึงอดีตชวนนึกถึงวัยเด็กเนี่ยเราก็จะรู้สึกโอ้สมัยตอนที่เราเป็นเด็กนี่เรามีความสุขนะก็ทําให้เกิดความอาลัยนะนี่ขนาดความรู้สึกดีๆในอดีตนะเรายังรู้สึกอาลัยแต่ถ้าเกิดว่านึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดนะรวดราวในอดีตเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอีกแบบนึงเหมือนกันนะก็คือทําให้โกรธทําให้เกิดความเศร้าเสียใจ อนาคตก็เหมือนกันนะถ้าเรานึกถึงอนาคตเนี่ยหลายคนจะเกิดความกังวลนะเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะเราจะมีเงินจ่ายหนี้ไหมจะมีเงินผ่อนบ้านไหมนะรู้สึกกังวลขึ้นมาเลยทั้งๆที่ยังไม่ทันจะเวลานั้นยังมาไม่ถึงนะแต่เราก็ทุกข์ละกังวลละ อันนี้ก็เรียกว่าใจเนี่ยว้าวเวนะใจนี่ไรที่พึ่งแต่พอเราเอาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเราจะรู้สึกอบอุ่นนะความหนักอกหนักใจมันก็จะมาลายหายไปความเศร้าเสียใจก็ไม่อาจจะมาครอบงำย่มยีจิตใจเราได้การกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทาให ใจเรามีบ้านอย่างแท้จริงนะหลายคนเนี่ยนะไม่สามารถที่จะพาใจกลับบ้านได้ไม่สามารถที่จะพาใจกลั บ, บา ม, าม า, าบมอยู่กับปัจจุบันได้ทั้งที่รู้ว่านะอย่างที่บางคนบอกเนี่ยถ้าทุกข์เพราะคิดมากนะซึ่งมันก็บอกในตัวว่าถ้าไม่คิดมากก็ไม่ทุกข์ แต่ว่าก็ไม่สามารถใช้ทําให้ใจเนี่ยมันหยุดคิดได้อันนี้ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใจเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่อยู่กับปัจจุบันนี่ถ้าเราลองฝึกใจของเราเนี่ยให้กลับมารู้จักบ้านที่ชื่อว่าปัจจุบันขณะนะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้ทุกที่นะ จะอยู่ที่มาดริดจะอยู่ที่เบอร์นจะไปอยู่ที่เบอร์ลินนะหรือว่าไปอินเดียนะเดลีกาลกตาซึ่งความสะดกสบายเนี่ยก็แตกต่างที่ที่นี่มากเนี่ยแต่แม้กระ น, นั้นเนี่ยเราก็สามารถจะมีความสุขได้นะมีความสุขเหมือนกับอยู่บ้าน มีร้านอาหารร้านหนึ่งนะซึ่งตอนนี้เริ่มเป็นเชนสโตที่มีชื่อ mm hmm. ก็รู้ชื่ออะไรเนะช็คเช็คใช่ไหมเช็คเช็คหรือเช็คเนี่ยนะเป็นไม่ใช่ร้านเป็นร้านที่อยู่กึ่งกลารรงระหว่างฟาสเป็นเชนสโตที่อยู่ระหว่างที่กึ่งกลารรงระหว่างฟาสฟู้ดกับอาหารแบบร้านที่เรียกเชอฟู้ดนะแล้วตอนนี้มีสาขาโยมานหกสิบกว่าประเทศนะกำลังจะตีแมคโดนัลล์ในในหลายประเทศ เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้ขายอาหารเขาขายสิ่งที่เรียกว่า hospitality การต้อนรับที่อบอุ่นนะมาร้านของเ้าเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้กินอาหารแต่ได้สัมผัสกับความรู้สึกถึงการต้อนรับที่อบอุ่นนะอาหารเขาก็อร่อยนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่จะดึงดูดคนให้เข้าร้านก็คือความรู้สึกว่าเหมือนกับได้เหมือนกับมาได้ได้อุ่นได้มาอยู่บ้านเขาบอกเนี่ยเขาจะทําให้คนคนลูกค้ารู้สึกว่า มีความอบอุ่นใจเหมือนได้มาอยู่บ้านนะแล้วคนก็นิยมร้านอาหารประเภทนี้มากนะแต่เขาแถม ว, ว่าเนี่ยนอกจากจะให้คนรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้อยู่บ้านแล้วเนี่ยก็จะมอบสิ่งที่หาจากที่บ้านไม่ได้โอ้โ oh, หนิ่งยิ่งทําให้คนนีอยากจะเข้ามาใหญ่ใช่ไหมสิ่งน่าจะเป็นอะไรสิ่งน่าจะเป็นเพื่อนสิ่งน่าจะเป็นอการได้สังส่งสรัค์กับผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่นะ แต่ประเด็นคือว่าตอนนี้เนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเนี่ยการที่ทำให้คนรู้สึกว่าเหมือนกับได้อยู่บ้านเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นจุดขายนะมันเป็นจุดขายได้นะเขาเพราะว่าคนเนี่ยโหยหาแต่จริงอย่างที่ธรรมมาบอกนะว่าความเป็นบ้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่สถานที่แล้วก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทาของใครไม่ใช่ว่าต้องมีคนมา พูดดีกับเรามาพี่นอพี่ทากับเราหรือสนุสนานในหากับเราแม้อยู่คนเดียวไม่มีใครเนี่ยก็อาจจะรู้สึกถึงอบความอบอุ่นความความเต็มอิ่มในใจได้เหมือนกับเวลาเราอยู่บ้านเรารู้สึกถึงความอิสระความรู้สึกโปร่งเบาและบ้านที่ว่านี่ยที่ธรรมาบอกมันไม่ใช่มันไม่ได้สร้างด้วยไม้ไม่ได้ก่อด้วยอิฐนะแต่ว่ามันก็คือปัจจุบันขนาด เราทําอะไรใจเราอยู่กับสิ่งนั้นนะอันนั้นก็ถือว่าเราเนี่ยกําลังมีบ้านคือปัจจุบันขณะเราจะใช้ลมหายใจก็ได้ใช้ลมหายใจเนี่ยเพื่อที่จะเป็นสื่อพาใจของเรากลับมาบ้านคือปัจจุบันเวลาจะนอนเนี่ยหลายคนนอนไม่หลับนะนะใจมันฟุ้งซ่านมากเลยแม้อยู่ที่บ้านเนี่ยแม้ว่าจะสุดกสบายแค่ไหน แต่ถ้าใจนอนไม่หลับเนี่ยมันก็ไร้ความหมายใช่ไหมฮะเพราะไม่ได้พักผ่อนแต่ถ้าตรงข้าถึงไม่ได้อยู่บ้านเราอาจจะนอนในห้องพักที่เป็นโฮสเทลหรือบ้านบ้านเพื่อนแต่ถ้าถึงเวลาจะนอนนะใจเราไม่วาวุ่นฟุ้งซ่านมันจะฟุ้งไปไกลแค่ไหนแล้วก็ดึงจิต ก, กลับมาอยู่ที่ลมหายใจ นะดึงจิตกรรมมาอยู่กับปัจจุบันนะเมื่อไม่มีความยุตกิกังวลพเพราอจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยสักพักก็หลับนะอย่างนี้ต่างหากในะที่ที่น่าอยู่นะน่าน่าประสบมากกว่าการไปอยู่บ้านที่สะดวกสบายนะแต่ว่านอนไม่หลับนะเป็นบ้านของเราแต่เรานอนไม่หลับมันจะมีประโยชน์อะไรแต่ว่าไป น, นอนที่อื่นเนี่ยนะกลับนอนหลับนะ ตื่นมาก็แช่มชื่อเบิก บ, บาทอันนี้น่าจะดีกว่าและสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนั้นได้เนี่ยก็คือนะจิตที่รู้จักหวนกลับมาที่บ้านซึ่งไม่ต้องใช้อะไรมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้คนนะบางทีใช้แค่ลมหายใจเท่านั้นแหละที่อเมริกาเมื่อสักห้าสิบปีก่อนเนี่ยคนไม่รู้จัก พุทธศาสนาไปที่เบตเลยนะจนกระทั่งจีนเนี่ยไปไปยึดที่เบตแล้วก็ทำให้พระที่เบตเนี่ยมีออกมามาอยู่อินเดียแล้วก็กระจายกันไปหลายประเทศมีภาพรูปหนึ่งเนี่ยท่านชื่อรามเยเช่ท่านก็ตอนที่ตอนที่ท่านมาถึงอเมริกาเนี่ยท่านก็แก่แล้วนะแล้วท่านก็พูดภาษาอเมริกันไม่ได้เลยภาษาอังกฤษท่านไม่ไม่รู้เรื่องเลย แต่ท่านสามารถที่จะทำให้คนอเมริกันเนี่ยนับถือหรือศรัทธาในพุทธศาสนาแบบที่เบสไดนะ้หลายคนทำมาสนใจสมาธิภาวนานะนั่นคือก่อนไทยลราลมาจะมีชื่อเสียงนะไทยลราลมีชื่อเสียงประมาณสักสามิปีที่แล้วเนี่ยแต่กอ่อนนั้นๆเนี่ยนะคนแรกๆแล้วคือลามาเยเชค น, คนก็แปลกใจนะว่า ท่านเนี่ยไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยเนี่ยท่านสอนคนให้เข้าใจธรรมะหรือ ว, ว่าสนใจเรื่องการปฏิบัติได้อย่างไรเคยมีคนถามมีฝรั่งถามว่าทำอย่างไรผมถึงจะภาวนาได้ฝรั่งถามนะแทนที่ท่านจะอธิบายเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดแทนที่ท่านจะยกเรื่องอริสัตตสีขึ้นมาพูดนะแทนที่ท่านจะพูดถึงรองสติปัฏฐานสี่นะท่านถามว่า มีลมหายใจไหมมีครับนะแล้วก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลผู้อื่นไหมมีครับเออสองอย่างถ้ามีสองอย่างนี้ก็ภาวนาได้แล้วนะตั้งบอกอธิบายว่าลมหายใจเนี่ยช่วยทำให้ใจเราช่วยทำให้ใจเนี่ยเราอยู่กับตัวเองได้ยังมีความสุขส่วนแม่ตากรุณาเนี่ยหรือน้าใจทำให้เราสมคัรกับผู้อื่นได้อย่างอย่างถูกต้อง ถ้าเราสัมพันธ์กับตัวเยอยงถูกต้องด้วยลมหายใจถ้าเราสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องด้วยไมตากรุณาแค่นี้พอละภาวนามีแค่นี้เองนะซึ่งก็จริงๆก็ตรงตามหลักพุทธศาสนานะการปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะธรรมะทั้งหลายหรือที่สรุปย่อมาเป็นอิมมัคโยงแปหรือว่าสิกขาไตรศิกขาสารเนี่ยก็คือการจัดความสัมพันธ์หรือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับตัวเองหนึ่ง แล้วก็เรากับผู้อื่นนะทานและศีลเนี่ยนะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ร่วงเรากับผู้อื่นนะถ้าเราเราจะสามารกับพื้อื่นได้อย่างดีเราก็ต้องรู้จักให้ทานเอ้อเฟื้อเผืแพเราต้องไม่อย่างน้อยรักษาศีลดีไม่ไม่ไปรบกวนใครด้วยการละเมิดศีลนะทานและศีลเนี่ยเป็นเรื่องการสร้างสัมพันธภาพร่วงเรากับผู้อื่นให้เป็นไปในทางที่ราบรื่นเป็นประโยชน์เกื้อกูลส่วนภาวนาเนี่ยนะ ที่เราเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยก็คือการปรับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับตัวเองให้เราเนี่ลักตัวเองมากขึ้นให้เราเกลียดตัวเองน้อยลงให้เราอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นคนสมัยนี้เนี่ยบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองเนี่ยนะแต่แปลกนะเวลาอยู่กับตัวเองคนเดียวนี่กระสับกระสายทุรนทุรายนะถ้าเป็นวัยรุ่นก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาคุยกับเพื่อน หรือแม้ก็ไลน์หรือไม่ก็แชทนะถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะก็อาจจะออกไปเที่ยวห้างไปช็อปปิ้งไปเจอผู้คนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์นะหรือไม่บางคนก็อาจจะพยายามหมกบุญกับงานการแต่เวลาที่อยู่กับตัวเองเนะี่ยทั้งที่แม้จะอยู่ในบ้านนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มี คนมาคุยด้วยแม้กระทั่งไม่มีหนังสือจะอ่านเนี่ยนะจะเริ่มกระสับกระส่ายแนละ้หลายคนต้องการที่จะหนีตัวเองดด้วยการไปเที่ยวห้างด้วยการไปคุยกับคนด้วยการทําโน่นทํำนี่ไอ้ที่ทําอะไรสารพันเนี่ยดูดีๆนะมันเกิดจากการความต้องการที่จะหนีตัวเองแล้วทําไมถึงหนีตัวเองเพราะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เมื่อทนอยู่กับตัวเองไม่ได้จะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไรนะเวลาเรารักอะไรเราก็อยากอยู่กับสิ่งนั้นนะ รักรถนะก็อยากจะอยู่ใกล้รถพีงบางคนนี่มีรถราคา20ล้านนี่ก็ขัดถูมันทั้งวันะนะบางคนรักพระเครื่องก็อยู่พักเครื่องทั้งวันใครที่อยากอยู่กับแฟนก็อยากอยู่ใกล้แฟนใครที่รักแฟนก็อยากอยู่ใกล้แฟนใครที่รับพ่อแม่ก็อยากอยู่กับพ่อแม่แต่ทำไมเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยทั้งที่บอกว่ารับตัวเองเนี่ยแต่อยู่กับตัวเองไม่ได้นะต้องพยายามออกไปทานู่นทานี่หรือพยายามหนีตัวเอง ถ้าอยู่ไม่ได้นะก็หาทางหลับนะง่วงเลยนะการหลับเนี่ยก็เป็นการหนีตัวอย่างหนึ่งนะเห็นได้ง่ายจากคนที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไปภาวนาในวัดเนี่ยนะทำได้ให้้นั่งตามลมหายใจหรือให้เจริญสติสักห้านาทีสิบนาทีก็ง่วงแล้วไอ้ความง่วงเนี่ยห้านาทีนี่ยทําไมถึงง่วงนะเวลาทำอย่างอื่นไม่ง่วงเลยแต่ทําไมพออยู่เฉยในห้านาทีง่วงสิบนาทีง่วงแล้วมันเป็นอุบายนะ ที่ต้องการหนีตัวเองเพราะว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้เนี่ยถ้าไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าไปเที่ยวไม่ได้พูดคุยคนไม่ได้กูหลับดีกว่าใช่ไหมเอ้ยถ้าเรามีถ้าเราถ้าเรารู้จักใช้ลมหายใจให้เป็นเนี่ยมันก็ทํทำให้เราเนี่ยเรากลับมาอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขนะและการที่ใช้ลมหายใจเนี่ยนะมันก็คือการพาจิตเนี่ยกลับมาอยู่กับบ้านพาจิตกลับมอยู่กับปัจจุบันนะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรานะถึงแม้เราจะอยู่ห่างบ้านหรืออยู่ต่างแดนแต่เราก็จะสามารถรู้สึกถึงการอยู่บ้านได้ตลอดเวลานะถ้าว่าเราเห็นความสำคัญของปัจจุบันขณนะแล้วก็สามารถที่จะพาใจใกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้เสมอปัจจุบันขณนะเนี่ยนะ มันไม่ได้หมายถึงเวลาตอนนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ฝรั่งเรียกเฮียนนาวนะเฮียนนาเนี่ยนะสำหรับฝรั่งเนี่ยเขาเขาจะเข้าใจชัดนะเวลาพูดถึงขาอปัจจุบันเนี่ยเขาจะงงๆแต่พอกว่าเฮียนนาวฝรั่งเนี่ยนะมันมีมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะที่มันมีที่ผลต่อต่อฝรั่งมากนะบิทเตอเนี่ยพอเจอหนังสือเล่มนี้เนี่ยแค่เจอชื่อหนังสือนะก็ก็เรียกว่า เรียกว่าโดนใจขึ้นมาและได้ข่าวสตีฟจ j อบเนี่ยก็ก็เหมือนกันนะเชื่อหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า Be Here นา w นะบ e เ e ียนก็คือว่าให้อยู่ตรงนี้ขณะ น, นี้เป็นหนังสือที่ฝรั่งเขียนชื่อว่ารามาธาสนะนักดนตรีวิเตอร์เนี่ยพอเห็นชื่อหนังสือเนี่ยเกิดความเกิดความชงนงชงายขึ้นมาเนะพราะว่าอะไรเพราะเขารู้เลยนะว่า ใจเขาไม่ได <index> ้อยู่กับปัจจุบันแล้วที่เขาทุกเนี่ยพอใจเขาไม่อยู่กับปัจจุบันวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลองนะที่จะพาจิตกรรมมาอยู่กับปัจจุบันนะซึ่งหมายความว่าซึ่งไหมายความว่าตอนนี้ที่นี่เท่านั้นแต่หมายความว่าเราทําอะไรใจแล้วอยู่กับสิ่งนั้นนะกินข้าวใจเราก็อยู่การกินข้าวอาบน้ําใจก็เราก็อยู่การอาบน้ำนะกวาดบ้านใจเราอยู่การกวาดบ้านตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ย นี่เป็นวิธีการที่จะทำให้จิตเนี่ยกลับมารู้จักบ้านที่แท้จริงนะและทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสุขได้ทุกที่นะคนที่หลายคนเนี่ยนะที่เวลามีความทุกข์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเพราถูกครอบงำด้วยความโกรธกำลังโกรธกลังกร า, กาดเกี้ยวกำลังเสียใจหรือแม้กั่งกลังเจ็บปวดเช่นผู้ปว่วยที่กำลังเป็นมะเร็งราะยาเอาไม่อยู่เนี่ย หลายคนจะรู้สึกดีขึ้นทันทีนะพอทําให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาพอทําให้เขาอยู่ความรู้สึกตัวคือการที่เอาจิตกลับมาอยู่ ก, กับตัวก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคนที่กำลังปวดนี่นะทุรน ท, ทุรายเนี่ยนะนะพอลองสัมผัสมือเขานะลองบีบมือเขาหรือบางคนเนี่ยกดกดหัวกดหน้าผากเนี่ยเพื่อเรียกให้ากลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกปวดนี่มันทุเลาลงเลย ความสปวดทุกเราเนี่ยเพราะว่าไอเพราะว่าตอนที่ตอนที่ไม่รู้สึกตัวนี้จิตมันจมอยู่ในความทุกอยู่ในความปวดมันไม่ได้แค่ปวดกายแต่มันปวดใจด้วยแต่พอดึงจิตให้ไม่รู้สึกตัวเนี่ยความปวดใจมันหายไปมันเหลือแต่ความปวดกายซึ่งเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความปวดความปวดใจเมื่อเราก็ตายเมื่อการที่เราดึงจิตกำลังอยู่ในตัวเนี่ยความทุกข์ใจมันก็จะหายไปมันเหลือแต่ความปวดความเมื่อยของกาย นะซึ่งคนเรานี้มักจะเอาอยู่นี่ขนาคนที่ป่วยมะเร็งเนี่ยนะพอเขารู้จักวิธีการอยู่กับปัจจุบันนะผาใจกับอยู่กับปัจจุบันนะก็จะรู้สึกถึงก็จะรู้สึกว่าความทุกข์เนี่ยมันลดลงไปได้เยอะมี ม, มีมีคนป่วยนะมีเพื่อามาคนหนึเป็นพระเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยแกแก็แ่ปวดมากเลย แกใกลจะตายเลยนะบอกปวดมากปวดตลอดเวลาท่านก็เลยบอกกับคนไข้คนนี้ว่าเอางี้นะเวลาโยอมปวดนะให้บีบมือตะมานะบีบเงี้ยถ้าปวดมากบีบแรงถ้าปวดน้อยบีบเบาใช่ไหมบอกว่าแกจะบีบเป็นพักๆบางครั้งก็บีบแรงบางครั้งก็บีบเบา พระก็เลยถามว่าเมื่อกี้โยมพูดว่าอย่างไงนะโยมบอกว่าปวดตลอดเวลาใช่ไหมแต่โยมสังเกตไหมเวลาโยมบีบอัตามานเนี่ยโยมบีบเป็นพักๆแปลว่าอะไรแปลว่าปวดเป็นพักๆใช่ไหมแล้วทําไมถึงบอกปวดตลอดเวลานะไอ้ที่ปวดตลอดเวลาเนี่ยมันคือความปวดใจแต่ปวดกายเนี่ยมันปวดเป็นพักๆแล้วเวลาโยมเนี่ยมาบีบอัตมาเนี่ยนะเวลาโยมบีบอัตามานเนี่ย ช่นั้นเนี่ยโยมเนี่ยเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันทําให้ความปวดใจมันหายไปมันมีแต่ความปวดกายและความปวดกายนี่ยมันเป็นพักๆมันก็เลยบีบเป็นพักๆใจก็เลยเข้าใจอ๋อไอ้ที่เราคิดว่ามันปวดตลอดเวลาในที่จริงมันที่จริงมันปวดมันปวดกายมันปวดใจต่างหากนะแต่ว่าปวดกายเนี่ยมันเป็นพักๆมันเป็นช่วงๆเท่านั้นเองพบอกกันว่าพอแกรู้สึกตัวงี้เนี่ยนะ แกก็เริ่มที่จะรับมือความปวดได้ตอนหลังนี้ไม่ต้องปดไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปบีบมือแล้วนะไม่ต้องบีบมือพระละเพราะพระไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแกก็สร้างความสึกตัวขึ้นมาเองนะด้วยการกํามือบ้างกําแบกําแบหรือพลิกมือไปพลิกมือมานี่เป็นอุบายทําให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นอุบายที่ทําให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่บ้านพอกลับไปอยู่บ้านเนี่ยไอความทุกข์กายเนี่ยมันก็คล่อ ง, งําจิตน้อยลงเพราะว่า คนเราเมื่อรู้สึกตัวนี่นะความโกรธความทุกข์ความเสียใจมันจะเล่นงานจิตใจน้อยลงเมื่อแม้ปวดกายนะแต่ว่าใจไม่ปวดถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วตอนหลังเนี่ยคนแค่คนนี้เนี่ยภรรยาเขาเล่าว่าแกก็พยายามพึ่งมือไปพึ่งมาแต่เียตลอดเวลานนะเวลาปวดวันวันสุดท้ายของแกเนี่ยนะ ก็ภรรยาก็คุยกับแกสักพักนะก็เห็นแกพึ่งมีไปแล้วก็เสร็จัก้วแก็ไปทํางานเหลียวกลับมาก็เห็นมือก็ยังเห็นสามีในพลิกมือไปพลิกมือมานะก็เลยไปทํางานอื่นต่อสักพักเหลียวกลับมามองนิ่งไปละนึกว่าหลับไปปรากฏว่าไปแล้วโอไปแบบที่เรียกว่าสงบมากเนะี่ยไปแบบไม่ทุรนทุรายทั้งที่มีความทุกขเวทนามีความปวดมาก อันนี้ก็เป็นอันนงส์งของการที่รู้จักพาจิตกลับมาอยู่กับบ้านพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันมตัตาเคยเยี่ยามท่านติสนาทันนะที่ปากช่องท่านมาที่เมืองไทยสองสามเดือนแล้วท่านก็ให้ให้ให้กระดาษให้เป็นให้กระดาษมาแผ่นหนึ่งกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยท่านเขียนด้วยด้วยลายมือของท่านเองเป็นภาษาอังกฤษนะเขียนด้วยเป็นผู้การ น, นะ แปลเป็นภาษาไทยว่าปัจจุบันขณะเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ this moment is full of wonders this moment คือช่วงเวลานี้ขณะนี้เนี่ยเต็มไปด้วยอัศจรรย์ความอัศจรรย์แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้อยู่กับ this moment หรือว่าขณะนี้เท่าไหร่ใจเราไปอยู่กับอดีตกับอนาคตนะ เพราะฉะนั้นทมอยากจเชิญชวนพวกเรานะให้ให้ลองเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะว่างๆก็ตามลมหายใจเข้าออกหรือว่าพิกมือไปพลิกมือมาหรือไม่ก็เวลาทํางานก็ใจก็อยู่กับปัจจุบันหั่นผักทําครัววางเรื่องอื่นทิ้งลงไปนี่มันจะเยอะแค่ไหนนะนี่ไม่ทําให้เราทุกข์นะถ้าไม่แบกนะแต่พอเราเผลอเมื่มอหลายใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจแล้วก็ไปแบกหนี้นะ เคยมีคนถามอาจารย์พยอมพระพยอมว่าหลวงพ่อเนี่ยวัดหนองวัดสวนแก้วเนี่ยกู้เงินธนาคารมาหลายสิบล้านเนี่ยนะหลวงพ่อเนี่ยทุกหลวงพ่อเครียดบ้างไหมท่านตอบดีท่านบอกว่าจะเครียดไปทําไมจะทุกไปทําไมไอคนที่น่าเครียดมากกว่าคือเจ้าของเงินนะว่าเราจะมีปัญญาจ่ายเงินเขาหรือเปล่านะ คือท่านไม่แบกเนี่ยมีหนี้เยอะเป็นสิล้านแต่ไม่แบกก็ไม่ทุกใช่ mm hmm. ปัญหามีแต่อย่าแบกก็ไม่ทุกแต่ที่แบกเพราะอะไรเพราะลืมตัวเพราะใจไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะใจไปอยู่กับประวีดบ้างไปอยู่กั บ, บอบนาคตบ้างเนะเพราะนั้นเนี่ยนะก็อยากจะสรุปว่านะเวลาถ้าถ้าอยากจะพบกับความอบอุ่นใจสบายใจ รู้สึกว่าเหมือนกับอยู่บ้านอย่าลืมเอาปัจจุบันขณะเป็นบ้านอย่าลืมให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวนี้นะ here and now นะให้เราสัมผัสกับ this moment อยู่ตลอดเวลานะเป็นขณะขณะ น, นะแล้วเราก็จะสามารถที่มีความสุขได้ในทุกที่แล้วก็ไกลจากทุกได้ในทุกสถานก็ใช้เรารสมควรแล้วนะต่อมาก็ขออุตติภูมิเท่านี้นะ อ, นนอยา่าเพิ่มีคำถามเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวควรจะไปเรียนเพลงพรุ่งนี้คุณอ้ออยากจะเริ่มกี่โมงคะ